ครับขอบพระคุณลสสันทิสุขของพระเจ้านะครับดารงของท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดนะครับขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนะครับในบ่ายวันนี้ที่มีโอกาสได้นําพรของพระเจ้ามาสู่ท่านทั้งหลายเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆ น, นะครับในพจนคมของพระเจ้าแล้วก็เป็นโอกาสดีของขึ้นได้จักรเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรามีโอกาสได้รละลึกถึงนะครับขึ้นได้จากนั้น94ปีถูกไหมครับถ้าผม ไม่ผิดนะฮะ94ปีก็เชื่อมัน่นว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆที่ได้เห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าที่มีต่อขีตจักรและต่อสมาชิกทุกคนมากกว่านั้นนะครับเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของบรรพบรุษเลครับผมเชื่อว่าเมื่อเราพูดถึงบรบรพบลุดเนี้ยเลครับในเรื่องของความเชื่อจริงๆมีมากมายเลครับถ้าเกิดว่าเราโอกาสได้อ่านในพระธรรมฮีบรูบทที่สิเราจะเห็นบนรบรพบรุษแห่งความเชื่อมากมายทีเดียว และสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายครั้งที่เราเรียนถึงชุดของคนคนนี้ตลอดมานะครับนั่นคือชุตของอับราฮัมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนลาวีเราก็พูดถึงเรื่องของอับราฮัมเสมอว่าอับราฮัมได้เป็นคนที่มีความเชื่ออย่างไรเป็นบัพปุลแห่งความเชื่ออย่างไรแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าในภาพคำของพระเจ้านั้นไม่ตายและวมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราคริสต์เสมอว่าพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราในบ่ายวันนี้เช่นเดีวยวกัน เมื you, ่อเราพูดถึงนะครับบรรพบุรุษแน่นอนครับเราทุกคนก็คงจะได้เห็นว่าบรรพบุรุษหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นคนรุ่นก่อนเราเราจะมีบรรพบุรุษได้ครับมันเนื่องจากว่าจะมีคนรุ่นก่อนเราแล้วเป็นแบบอย่างในชีวิตนะครับเราจึงเรียกคนเหล่านั้นเป็นบรรพชนหรือบรรพบุรุษนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของคนรุ่นต่อไปนะครับเราจะมีรูปแบบของคนที่เราค่อนข้าง จะชอบแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนั้นนะครับถ้าเกิดเราคิดว่ามีเด็กบางคนอยากจะเป็นเหมือนเราเราจะทำอย่างไรผมเชื่อว่าในคิริจักของเรานะครับมีอนุชนหลายคนที่มองท่านทั้งหลายบางคนจะอยู่มาในรอบเช้าหรือรอบบ่ายก็ตามบางครั้งท่านจะเป็นปรบรรพชนแห่งความเชื่อของเขาเป็นปรบรรพชนแห่งความเชื่อที่มีอยู่แต่มากกว่านั้นเมื่อเรากลับมามองถึงถ้อยคาของพระเจ้า ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอับราฮัมท่านได้พูดถึงบางอย่างที่มีเรื่องไว้หน้าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราอ่านเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราจะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้กลับไปมองถึงเบื้องหลังว่าในเวลาที่อับรามหรืออั บ, บราฮัมพาลูกของท่านนะครับอิสอรศเนจะไปถวายแด่พระเจ้าเบื้องหลังเมกาเบตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อยู่ในปฐมกาลบทที่22ผมอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้เปิดไว้ด้วยกันนะครับเพราะาเนื่องจากมันเป็นเหตุการณ์ที่ได้บอกกับเราบางอย่างที่น่าสนใจว่าทาไมท่านเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อแล้วนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรกันเลยคิดมาจากวัฒนาของเรานะครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้คิดถึงด้วยกันนะครับเมื่อเรามองจากพระธรรมปฐมกาลบทที่22ผมคงไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ผมอยากจะเชีย้ยท่านทั้งหลายเห็นบางกรณีที่อยู่ที่นั่นนะครับ ท่านเป็นบ่รพันธุหลว่งความเชื่อเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านรู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมสถานที่ไว้ให้ถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ดูจากในปรมกาลนะครับในบทยีย่สิบสองแล้อาจจะมีเวอร์ชันที่ไม่เหมือนกันนะครับผมจะขออ่านนะครับในสิ่งที่อยู่ในเวอร์ชันของผมเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับในหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งตรงนั้นในข้อที่สามกล่าวว่าอับรามก็ลุกขึ้นแต่เช้าผูกอาลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่าน ด้วยสองคนกับออชอาบุตรชายของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาเดินทางไปอย่างที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่านสิ่งหนึ่งนะครับเราจะพบถึงความจริงในชีวิตยอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราไม่รู้บางอย่างอับราฮัมได้เรียนรู้จากพระเจ้าตลอดเวลาว่าได้ความเชื่อที่มีอยู่ในพระเจ้าท่านจึงออกเดินทางไปอย่างที่พระเจ้าจะบอกให้รู้ท่านไม่รู้ไปไหน แน่นอนครับนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ผมได้คิดถึงเลครับวันในคิดาจากวัฒนาเราอาจจะไม่ทราบว่าบิชอเนอรีที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าวัฒนาที่เราตั้งอยู่ตรงนี้จะเป็นใจกลางสมัยก่อนเป็นป่าปสถานที่ที่ไม่มคนสนใจนครับผมจำนะครับว่าในเรื่องราวที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากทำไมมาตั้งที่นี่ อาจจะตั้งคําถามเรื่อนั้นเกิดขึ้นนี่คือความจริงที่กําลังเป็นอยู่นะครับเมื่ออับรามเนี่ยหรือในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ตรงนั้นการจัดเตรียมสถานที่เพระกะเบียได้บอกว่าเขาไปยังภูเขาโมริยาในภูเขาโมริยาเนี่ยครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปดูนะครับในแผนรูปแบบดั้งเดิมเลยนะครับในโมริยาเนี่ยนะครับในเส้นทางที่มีอยู่จะเป็นอักษรภาษาฮีบรูคําว่าตัวนะครับมันจะเป็นตัวตัวชิน ด้วยชิ้นเนี่ยมีความหมายว่านามของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นมันเป็นตัวอักษรนะครับมันมีรูปภูเขารละรูปต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนอักษรของพระธรรมฮีบรูภาษาฮีบรูนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นโดมของเดอะร็อกเป็นเรื่องราวเพรเนื่องซาลโลมอนได้พูดว่าที่นั่นนามของเราจะอยู่ที่ตรงนั้นอับรามอับราฮัมไม่รู้ว่า เวลาที่ท่านไปที่นั่นด้วยความเชื่อที่มีในพระเจ้ามันเป็นความเชื่อที่ศรัทธาอยู่ในพระเจ้าบ่อยครั้งนะครับในความเชื่อของเราบางทีเราขาดความศรัทธาอยู่ในพระเจ้าในเส้นทางเราพบถึงในทุกวันนี้นะครับเราเหมือนกับสถานที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราคิดอย่างไรบ่อยครั้งนะครับเราเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างไรคําสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้คําถามที่น่าสนใจ เมื่อสักครู่นะครับที่ผู้นาในรอนำร้องเพลงเอามือวางไว้ที่ใจพรงถามว่าเจ้ารักเราหรือข้อความนี้จากที่ไหนครับข้อความนี้จากว่ากบีตอนไหนข้อความนี้จากพระกรตอนไหนตอบได้นะครับไม่ต้องอายนะเป็นคำถามที่พระองค์ถามพระ่าเจ้าถามกับใครครับ ถาเปโตใช่ไหมย้อนยี่สิบเ็ดมถามเปโตถึงสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือทำไมพรมถามเปโตถึงสามครั้งพบาเปโตรทำอะไรครับตะลันไปจับปลากลับไปสู่อาชีพเดิมกลับไปสู่ความดั้งเดิมที่ตัวเองเป็นอยู่ แล้วพระเจ้าถามเปรโตนั้นให้ความเกิดความมั่นใจในชีวิตของเขาว่าเขารักพระเจ้าจริงหรือเปล่าเดินตามพระเจ้ามาแล้วในความเชื่อศรัท ธ, ธาที่มีอยู่ในพระเจ้าแล้วเขากําลังจะหันกลับไปสู่อาชีพเดิมในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับด้วยความเชื่อที่บรรพบุรุษไว้ที่อับรามอับราฮัมได้วางไว้กับลูกหลานถ้าเรามีโอกาสกลับไปดูนะคุณจะพบ ตลอดเวลาว่าในความเชื่อศรัทธาที่มีเนี่ยส่งต่อไปอยังลูกหลานครับส่งต่อไปใครยังไครครับไปยังอิสอักยาโคบโยเซฟถ้าคุณมีโอกาสกลับไปศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมคุณจะพบว่าทุกคนนมัสการอย่างที่ที่พระเจ้าบอกสถานที่กับเขานั่นหมายความว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นที่เบตเอลไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ บ่อยครั้งเราไม่มั่นใจนะครับในความเชื่อที่เรามีถ้าถามพระเจ้าพระเจ้าถามท่านว่าท่านเชื่อพระเจ้ากี่เปเอร์เซนต์ในชีวิตท่านจะตอบพระเจ้าอย่างไรครับในใจของท่านท่านอยากจะได้ร้อยเปอร์เซนต์เต็มใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเลยครับความเชื่อศรัทธาที่เรามีในพระเจ้า เราคิดว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์สิ่งหนึ่งนะครับในทุกวันนี้เราเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆไปยังที่ใหม่เดนี้กลัวไหมครับบางคนไม่กลัวบอกมีอะไรครับมีก g o กิลแมปเลยครับเมื่อวานนี้ผมอยู่ผมอยู่อุดอรนะฮะแล้วผมกลับมาเมื่อคืนนี้ เครื่องดีเลย์นะครับจากผมต้องกลับสี่ทุ่มมาถึงที่นี่ประมาณห้าทุ่มเครื่องดีเลย์ประมาณห้าทุ่มกว่าผมมาถึงที่นี่ตีหนึ่งกว่ากว่าจะนอนตีสองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีคนไปส่งผมเนี่ยเขาไม่เคยไปสนามบินดอนอสนามบินอุดรเพราะเนื่องจากเราไปงานพิธีมงคลสมรสของขอ ง, ของลูกสาวเพื่อนแล้วคนที่ขับรถไปส่งผมเนี่ยนะครับก็ไม่เคยไปสนามบินอนุดรนานาชาติเหมือนกันเขาก็ขับรถมาแล้วก็ ก็เปิด Google m a p เนี่ยนะครับกูเกิลแมปมันก็จะพาเข้าไปที่ไหนครับมันจะพาไปทางลัดตลอดมันไม่ค่อยพาไปทางเส้นใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาของก o เกิลแมปเราก็วิ่งเข้าไปเอ๊ะรู้สึกไม่กันมั่นใจมันทําไมเข้าไปในป่านะนะครับนี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นในความรู้สึกบางทีเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นดีเนาะเวลาใช้ไอ้เครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจเวลาที่พระเจ้าบอกให้กับเราพระโรมบอกเส้นตรง พระองค์ไม่ได้ใช้ในเส้นอ้อมแต่พระองค์บอกให้เราเดินไปอย่างเส้นตรงไปยังสถานที่ที่พระเจ้าบอกให้เรารู้อับราฮัมได้ไปยังสถานที่ที่โมริยาซึ่งเป็นสถานที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกวันนี้เราไม่คิดมาจากวัฒนาที่นี่นิกาืการอวยพรของพระเจ้าเป็นสถานที่พระเจ้าอวยพรมาตลอดโดยบรรพุลด้วงความเชื่อที่มีอยู่และนำพระกิติคุณมาอย่างที่นี่ แต่อย่าให้พระกิติคุณนั้นจบอยู่ที่นี่ครับนั่นคือความสําคัญสิ่งที่เราเห็นในประการที่สองนะครับบรรพบุรุษความเชื่อของเราหนึ่งเขารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสถานที่ไว้ด้วยความเชื่อศรัทธาเขาจึงเดินออกไปยังที่ต่างๆอย่างที่พระเจ้าบอกอย่างที่สองคืออะไรครับถ้าเรามีโอกาสกลับมามองอยู่ในข้อบทที่ยีิบสองของปฐมประการท่านด้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตรงนั้นคืออะไรครับ ในเวลานั้นนะครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสอ่านจะเห็นว่าอับราฮัมก็พาเอสอัาบุตรของท่านไปที่ไหนไปยังแท่นบูชาในเวลาที่พาไปนั้นเองนะครับเอสอาเขาถามพ่อว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรครับลูกเอ๋ยนะครับหลายท่านพูดคุณพ่อนะครับสิ่งที่อับราฮัมได้ ร, ไดรับคําถามนะครับอยู่ในข้อที่6กใช่ไหมครับ อ布拉ฮัมเอาฟืนสําหรับเครื่องเผาบูชาใส่บาศิษย์รบรชายถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกันไอซาคจึงพูดกับบิดอ布拉ฮับมบิดาว่าคุณพ่อและท่านตอบว่าลูกเอย๋ยมีอะไรหรือลูกจึงบอกว่านี่นี่มีไฟและฟืนแต่ลูกแกะสําหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนอ布拉ฮัมตอบว่าอย่างไงครับลูกเอย๋ยพระเจ้าทรงจัดหานี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับในชีวิตของเรา เราพบถึงความจริงว่าในบรรพบุรุษความเชื่อมีสิ่งที่กำลังสอนกับเราทั้งหลายว่าพระเจ้ามีขนทางให้กับเราเสมอมันเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากพระเจ้าบอกอับอับราฮัมว่าขอให้พาลูกของเขาไปถวายแด่พระเจ้าโอ้โหนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายเพราะลูกคนนี้กว่าจะได้มาอายุร้อยปีไม่ใช่เรื่องง่าย มันเป็นเรื่องของความท้าทายของความเชื่อที่มีอยู่ว่าเขาจะวางใจพระเจ้าขนาดไหนในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับพระเจ้าตั้งคําถามแล้วก็มีในชีวว่าเราวางใจพระเจ้าขนาดไหนหลายคนวางใจพระเจ้าเพราะมีสิ่งที่มองเห็นและจับต้องแต่สิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องได้เนี่ยนะครับเราวางใจพระเจ้าได้ขนาดไหน คำว่าวางใจเป็นคำที่สําคัญในความเชื่อของคริสเตียนนะคาว่าวางใจมีความหมายว่าคุณนอนเอกขณน เ, ก, เกในแผ่นดินของพระเจ้าคุณนอนรีลไลซ์อในภาษาเดิมแั้นมีความหมายการวางใจในพระเจ้านั่นคือสิ่งหนึ่งเพราะในความรู้สึกของเราเนี่ยในชีวิตของเราเรามีความกังวลกระวลในทุกวันนี้มีเรื่องอะไรในชีวิตของท่านที่ท่านกังวลกังวในพระเจ้า ถ้าวันหนึ่งพระเจ้าบอกให้ท่านนําสิ่งที่ท่านรักที่สุดมาถวายแดย่พระเจ้าท่านกล้าที่จะนําสิ่งนั้นไหมครับอะไรคือสิ่งที่ท่านรักที่สุดในชีวิตผมไม่ทราบนะครับพระเจ้ากําลังดูใจท่านท่านกําลังตอบพระเจ้านะเพราะเราแต่ละคนมีสิ่งที่รักที่สุดในชีดนั้นไม่เหมือนกัน ถ้าวันหนึ่งพระเจ้ากำลังท้าทายท่านลูกเอ๋ยนำสิ่งที่ท่านมีอยู่อย่างเดียวที่เจ้ารักที่สุดเอามามอบกับเราเราจะตอบพระเจ้าอย่างไรผมเชื่อว่าในพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทำให้เราเสียใจ ในเวลาที่เรามอบแด่พระเจ้าเราจะรู้ถึงสิ่ ง, งต่างเพราะเนื่องจากว่าบ่อยครั้งที่ความชุกขที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเพราะการวางใจในพระเจ้าเรามีไม่พอบางทีเรามีความรู้สึกอึดอัดเพราะเราไม่รู้ถามออกจะเป็นอย่างไรแต่นี่คือความสาคัญที่อั บ, บราฮัมไม่เคยถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าถ้าผมฆ่าบุตรคนนี้แล้วพระเจ้าจะให้ลูกคนใหม่ต่อไปหรือเปล่า พระองค์จะผิดคำสัญญาของพระงเจ้าไหมอาปาไม่ได้ถามอย่างนั้นบ่อยครั้งในความรู้สึกของเราถ้าเกิดเรามีเส้นทางที่พระเจ้าให้เราไปแล้วบอกกับเราอย่างนั้นเราจะมีคำถามกับพระเจ้าขนาดไหนว่าพระองค์จะเตรียมอะไรให้กับเรา น, นี่เป็นคำท้าทายผมจริงๆผมได้รับคำท้าทายจากพระเจ้าตลอดเวลา นะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมรับใช้พระเจ้ามาในปีนี้ก็ปีที่สามสิบสองสามสิบสามปีละนะครับเราอยู่ในปากีสถานเนี่ยก็พูดได้ที่นี่เลยนะครับอยู่ในปากีสถานก็สอนในปากีสถานมายี่สบหกปียี่สิบ้าปียี่บกปีนี้นะครับตําแหน่งท้ายสุดที่ผมอยู่ในนั้นก็คือเป็นตําแหน่งคณบดีของสาบันกรุงเทพวิทยาศาสตร์ศาสตร์มาเลคิเซียนนะครับเราก็ผมมีความรู้สึกหลายอย่างอึดอัดนะครับ ในเรื่องราวที่เวลาบริหารแล้วมันเจอไปยุ่งกับทางราชการด้วยอะไรด้วยมีปัญหาเยอะมากมีอะไรต่างๆทั้งหลายผมก็ลาออกจากการเป็นคณะบดีนะครับแล้วก็ออกมารับใช้พระเจ้าอยู่ในคิรจักรของเตยสมวิตเก้าสามตั้งแต่เดือนกรกฎาที่ผ่านมาสิ่งนี้ที่ผมได้มองถึงความเป็นจริงว่าในตลอดนะครับหลังจากที่ออกมาจากเบียีกรกฎา ผมรู้สึกพระเจ้าให้งานผมเยอะขึ้นกว่าเขามันไม่ได้อยู่นั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวแล้วนะครับเดินทางไปเกือบทั่วประเทศไทยเพราะเนื่องจากคิดเล่าจากคงเตยมีคิดจากลูกอยู่แปดแห่งด้วยกันนะครับเดือนอาทิตย์หน้าผมต้องไปที่หนองคายนะครับไปถวบพิสัยที่ไปเยี่ยมไปเทศนาไปสอนสมาชิกในคิดเจักสองวันต้นเดือนมิถุนาผมต้องเดินไปที่เดินทางไปที่ขอนแก่นไปยังคิดจากลูก ก็จะนําพระพรของพระเจ้าไปไปสอนเขาให้เขารู้การบริหารเรื่องราวต่างๆทั้งหลายนะครับในเดือนนี้ผมไปที่พัทลุงไปที่ควนขนุนมาสิ่งที่ผมพบถึงความจริงว่าในเส้นทางนะครับเมื่อออกจากสถานที่หนึ่งไปพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระองรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับตรงนั้นแต่เหมาะสําหรับเราที่จะไปอย่างคี่ได้จากต่างๆที่นํา รับพรของพระเจ้าไปสู่อย่างคิดราจักที่อยู่ในชนบทและห่างไกลผมไปที่ควรขนนพัตลุงนีลำบากจริงๆนะครับเข้าไปในหมู่บ้านในปา่านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีสมาชิกี่นั้นอยู่ประมาณสี่สิบสองคนละจากจุดประกาศเรากำลังจะเป็นคิดอจักรสิ่งนี้ผมกาลังท้าทายในคิดจักวัฒนา สีบานนั่งอยู่ข้างหลังสองคนด้วยนะครับผมท้าทายสมาชิกนะครับไม่เป็นไรเก้าสิบสี่ปีพร้อมหรื อ, อยังครับที่จะนำพระกิจคุณของพระเจ้าออกไปสู่ข้างนอกผมไม่รู้เราไม่คิดจากลูกหรือเปล่านะมีไหมครับพระทนานไม่คิดจากลูกหรื อ, อยังครับ สัญญาของพระเจ้า95จะมีคิดจักลูกเกิดขึ้นอธิษฐานเพราะพระเจ้าอวยพรเราเยอะนะครับผมอยากให้คิดจักเป็นดังกาลิลีอย่าเป็นทะเลตายเป็นกาลิลีนั่นหมายถึงมีปลาว่ายน้ำในนั้นได้ ผมท้าทายพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมไปยังกิตตจักรตอนนี้คือกิตตจักรลูกของกิตตจักรที่ผมอยู่กําลังจะมีกิตตจักรหลานที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่สําคัญพระเจ้าอวยพรเราเพื่อจะเป็นพรให้กับคนอื่นวันนี้พระเจ้ากําลังท้าทายเรานะมันรผลิตความเชื่อได้มอบกิตตจักรนี้ไว้ให้กับเราอย่าคงรักษาไว้มันเป็นอย่างนี้ตลอดผมขอร้องจริงๆ ผมท้าทายท่านใหม่คงไม่ได้หมายถึงผู้รับใช้ต้องไปทํานะครับงานที่เกิดขึ้นในการประกาศในขีดาจรกรที่ผมก็ไปทํางานอยู่มาจากสมาชิกทั้งหมดเพราะเขาได้รับพรจากพระเจ้าเขาได้รู้ว่าพระเจ้าได้เตรียมหนทางเหมือนกับที่อับราฮัมได้ไปแล้วก็กาลังทําที่จะถวายแด่พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เตรียมหนทางแล้วสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นที่นั่นน้องครับนี่คือความสําคัญนะ วันใดก็ตามที่ท่านมีอยู่ผมเมื่ อ, อสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ผมไปที่กิจจักโนรินแดงบุรีรัมนะครับที่นั่นเรามีสมาชิกเกือบสองร้อยคนละที่โนรินแดงแล้วก็เป็นพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นแล้วผมไปเยี่ยมสมาชิกสองครอบครัวที่อยู่อำเภอตาพยาอยู่ในโรงเรียนของคนพุทธศาสนาเขาเป็นครู ที่รักพระเจ้าแล้วก็พยายามอธิษฐานแล้วประกาศกับเด็กในโรงเรียนเข้าไปเยี่ยมแล้วผมบอกเขาว่าผมสนใจที่อยากจะให้เขาตั้งเป็นคิดจักรลูกของคิดจักรนนทินแดงผมบอกเขาว่าบางทีวันอาทิตย์บ่ายก็จากคิดจักรนนทินแดงที่เป็นบุรีรัมเนี่ยมาที่ตาพยาประมาณห้สิบกิโลเมตร ผมกำลังท้าทายในทุกที่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยการอวยพรประเทศไทยนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรายังเพียงนั่งอยู่ที่นี่นเฉยๆวันนี้ผมไม่ทราบ บ, บ, บ, บ, บ, บรรบพุผลแห่งความเชื่อหรือเปล่าแต่กำลังมาท้าทายท่านเพราะนี่คือความสําคัญของชีวิตครับพระเจ้าบอกกับเราด้วยคําบัญชาของพระเจ้าว่ายังไงครับออกไปทำไมครับสั่งสอนจนทุกเจ้าได้เป็นสาวกของเรา พวกําลังค้าทายชิของเราจริงๆว่าเรารักพระเจ้าเราจะเป็นบรรพบุรุษอย่างความเชื่อกับคนรุ่นต่อไปอย่างไรนี่คือความสำคัญครับท่านทั้งหลายถ้าอับราฮัมอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนถ้าอับราฮัมไม่ยอมที่จะไปยังสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมบางอย่างไหทุกอย่างนั้นก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมคือเมืองอุระ ห, หรือเมืองเออ เพราะเขาเก้าวเดินออกไปเขารู้ว่าพระเจ้าเตรียมหนทางเขารู้ว่าในเส้นทางเหล่านั้นไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากอย่างไรก็ตามพระเจ้าเตรียมหนทางออกให้กับเราเสมอในชีวิตที่เราเกิดความรู้สึกอุดอัดในชีวิตที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาจำไม่ดีครับ รองอยู่เบื้องหลังกปร่งคอยคุ้มครองพปรองมีทุกอย่างที่บอกนั่นคืออับราฮัมได้บอกกับลูกเอสอาดยาโคบโยเซฟทุกคนได้เรียนรู้ถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าผมเชื่อนี่คือความสำคัญที่เราจะสอนกับลูกหลานว่าในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราผมสอนลูกตลอดนั่นคือความสำคัญ เราไม่สามารถจะมีทุกอย่างได้เหมือนคนอื่นแต่เมื่อคุณทูลขอและคุณวางใจในรพระเจ้าพระองค์จะจัดเตรียมพระองค์นั่นคือความสําคัญของพระองค์เจ้าที่มีอยู่แล้วคุณดูประการที่สามยิ่งน่าสนใจค น, นนั้นอีกถ้าดูจากในถมประการยี่บสองถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ดูตั้งแต่ในข้อนะครับที่เก้าเป็นต้นไป เขาสร้างแล้วนะครับในข้อที่สิบว่ายังไงครับแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตของพระเจ้าก็เรียกจากฟ้าสวรอ์ว่าอับราฮัมเอ๋ยอับราฮัมทษานอับราฮัมอับฮัมนะครับอับราฮัมก็ตอบว่าพระเจ้าข้าทูตก็บอกว่าอย่าแต่ต้องเด็กคนนั้นหรือกระทาประการที่สเป็นคําที่น่าสนใจพระเจ้าประทานสิ่งที่เราต้องการทันเวลาเสมอ ผมเชื่อวันนี้เป็นความท้าท า, ายของบรรพุรุษ์แงความเชื่อในครอบครัวของคนที่เชื่อพระเจ้าบ่อยครั้งนะครับเราพูดกวบพระเจ้าว่าพระองค์มาไม่เคยสายแต่เรามักจะบอกพระเจ้าว่าอย่าบ่อยครั้งนักมันตื่นเต้นเกินไปจริงไหมครับพระองค์มาไม่เคยสายนะครับแต่เรามักจะบอกพระเจ้าว่าอย่าบ่อยครั้งพระองค์เจ้าหัวใจมันจะวาย อย่งที่ผมบมรับใช้พระเจ้ามาสามสิบสองปีพระเจ้าก็ท้าทายผมตลอดจริงๆนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ไม่อายขณะที่อยู่ในปากีสถานก็มีเงินเดือนที่พอสูงพอสมควรพอออกมาอยู่ในคิทาจนะครับเงินเดือนก็ตั้งไว้เท่าเดิมแต่ก็ให้ผมไม่ถึงลดไปครึ่งหนึ่งบมมีลูกนะครับเรียนมหาวิทยาลัยผมมีอะไรต่างๆทั้งหลายแต่ในทุกครั้งเนี่ยในชีวิตเนี่ยนะครับ คบถึงความจริงว่ามันเป็นกำท้าทายใหม่เพราะเนื่องจากเวลาที่ก่อนที่ผมจะออกจากปากีสถานเบียตีก็มีสิ่งที่เป็นคนที่ส่งเมลเข้ามาหาผมแล้วก็มีเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากในไลน์ที่ส่งให้ผมนะครับเป็นบทเฝ้าเดี่ยวแล้วเมื่อผมอ่านทุกครั้งผมบอกแล้วก็มีคําพูดว่าเราจะให้เจ้าเดินทางใหม่เป็นทางที่ยากลําบากกว่าเดิมแต่เจ้าจะต้องเดินเพราะเรากําลังบอกกับเจ้าผมก็ถามพระเจ้าว่าจริงหรอ นะครับผมก็ถามพระเจ้าตลอดนะในตลอดหนึ่งเดือนมันแปลกตรงที่ว่าไอเมลที่ส่งมาให้เนี่ยในหนึ่งเดือนนั้นก็มาทุกวันเลยครับจนในที่สุดผมก็บอกว่าอโอเคผมออกแล้วครับนะครับเสร็จแล้วเมลนั้นก็ไม่มาอีกเลยคนที่เคยออกนั้นส่งมให้ผมนั้นไม่มาเลยนะนะและก้กนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ผมขาดพระเจ้าก็ให้ตลอดเวลาในเวลาที่ผมกําลังท้อใจถามพระเจ้า แปลกประหลาดอีกแล้วไอเมลคนนั้นก็ส่งกลับมาใหม่นี่คือเป็นจริงนะในตลอดทุกช่วงเวลาการรับใช้นะครับตั้งแต่ออกจากปากีสถานบีไทีแล้วก็วิ่งไปยังที่ต่างๆผมพบจริงๆว่าในพระองค์เจ้าทันเวลาจริงๆผมไปยังคิดเรืองจากใีกหนึ่งผมขาดเงินจริีนผมก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์จะทํำยังไงจริงๆนะเป็นคนที่อยู่เป็นลูกคนขายทองที่เคยพูดที่นี่นะครับ ผมทิ้งร้านทองมาแล้วผมรับใช้พระเจ้าผมพยายามไม่ยุ่งกับทางบ้านเพราะถ้าเกิดว่าผมยุ่งกับทางบ้านแสดงว่าผมไม่ได้วางใจพระเจ้าแล้วผมถามพระเจ้าแล้วผมขาดเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีสมาชิกคนหนึ่งที่ผมไปยังคิดจากแห่งหนึ่งที่เคยไปศรีบานอยู่เขาบอกโอ้ยเราคิดถึงอาจารย์น า, นานแล้วแล้วอาจารย์ไม่ได้เจอเราตั้งนานเขาก็ยื่นสองให้ผมจริงๆแล้วผมเปิดดูนะครับตามจํานวนที่ผมขาดอยู่นี่เป็นประสบะการณ์ในชีวิต ที่มองถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ทันเวลาผมเชื่อว่านี่คือความสําคัญในชีวิตเราในความเป็นจริงมีคนพูดเล่าเรื่องตลกอย่างนี้ว่าวันหนึ่งนาฬิกามันก็ตั้งคําถามนะครับตั้งคําถามประตูเองเพราะนาฬิกาเวลามันเดินเนี่ยมันดังเดินวันละกิติ๊กครับติ๊กตั ก, ตกนะครับเป็นหนึ่งวินาทีมันก็คิดว่าโอ้ยวันหนึ่งมันเดินวินาทีละสองติก๊กนาทีหนึ่งกี่ติ๊กครับ ร2อยสิบถูกไหมครับมันติ๊กเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่ครับเจ็ดพันสองร้อยวันหนึ่งเท่าไร่ครับหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งแสนเจ็ดหมืนสองพันสัปดาห์หนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าพันหกร้อยครั้งปีหนึ่งเท่าไหรครับนาฬิกามันเดินหกสิบสามล้านครั้ง มันตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะมันจะเดินไหวเหรอนี่คือคำถามที่หลายคนตั้งคำถามในชีวิตเราคิดไปแล้วเรารู้สึกมันจะไม่ไหวอะไรสิ่งหนึ่งตั้งคำถามว่าและในความเป็นจริงเราเดินกี่ติ๊กครับเราเก้าทีละเก้าเท่า น, นั้นเอง ในชีวิตอับราฮัมได้มีตัวอย่างเป็นบรรพบุรุษเขาจึงสอนลูกหลานว่าอย่าเกิดความกังวลกวายพระยเยซูเจ้าบอกอะไรกับเราครับเหตุฉะนั้นอย่า ก, กังวลกวายถึงพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มีความกังวลกวายของพวกนี้เองแต่ละวันก็มีคำนี้ไม่ค่อยชอบเลยนะครับมีทุกพออยู่แล้วจริงๆมีสุขของมันแต่ละวันนะแต่ผมอยากให้ท่านหลายได้คิดถึงตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เรามองถึงบรรพบุรุษความเชื่อ เราจะสอนลูกหลานเราได้ยังไงที่เขาจะเข้าใจว่าพระเจ้ามาทันเวลานี่คือความจริงที่อับรามได้บอกกับลูกหลานของเขาไม่ว่าชีวิตของโยเซฟไม่ว่าใครโยเซฟต้องติดคุกใช่ไหมครับทำอะไรทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องเราดิ้ไปถึงลูกหลานทั้งหมดความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าเป็นอย่างไรนั่นคือความสําคัญผมอยากให้ท่านั้งหลายได้มองเห็นว่าทําไมเมื่อเราพูดถึงบรรพุ่นความเชื่อ ซึ่งในพระธรรมยากบที่กลับมาที่เราได้ดูไปนะครับที่บอกถึงเรื่องราวที่เป็นอยู่มันจึงมีเรื่องที่น่าสนใจเมื่อคนมีความเชื่ออยู่ในพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่เราพบถึงความจริงว่าในความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าเราขาดการปฏิบัติในความเชื่อเรานั้นเราเชื่อส่วนใหญ่เราเชื่อแต่ปาก แต่พระคบีได้บอกกับเราในยากบว่าอย่างไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่22สบครับยากอบทที่สองข้อ2ความเชื่อที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจะทำให้ทุกอย่างนั้นสมบูรณ์ภาษาเดิมใช้คาว่าบริบูรณ์บริบูรณ์หมายถึงการเต็มปิ่ม ผมคิดถึงเรื่องบริบูรณ์เมื่อไหร่ผมคิดถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอถ้าพี่น้องมีโอกาสจําได้นักสือยอห์นบทที่สองจำได้ไหมครับเรื่องของการสมรสที่หมู่บ้านคานาแควนกาลิลีที่พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ําให้เป็นเราะห์งุ่นหรือน้ําองุ่นในเวลานั้นมารีมาบอกกับพระเยซูเจ้ า, ยาแล้ว พระเจ้าก็บอกกับถือว่าอาดนี้เป็นเวลาของพระเจ้าเธอจึงไปพูดกับคนใช้ว่าให้ทำตามที่พระเจ้าสั่งถ้าพี่น้องมีโอกาสได้อ่านนะครับคนใช้เหล่านั้นตักน้ำอย่างไรครับมีตุ่มหรือโอง่งกี่ใบครับมีอยู่หกใบ นะครับองคแต่ละใบเนี่ยน้ำประมาณ8ปดสิบลิตรสี่ถึงห้าถังถ้าพี่น้องไปประกาศอ่านพี่น้องจะเห็นว่าคนใช้รรดี้ก็ททำอย่างไรรู้ไหมฮะเขาเชื่อพระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นแหละเขาทำอะไรครับเขาตักน้ำทำยังไงครับเต็มองแล้วก็พีใช้คำหนึ่งที่น่าสนใจเสมอปากทุกองค์ หมายความว่าเขาไม่ได้ทำแบบขอไปทีแล้วก็มีให้รายละเอียดชัดเจนมากว่าคนใช้เหล่านั้นตากน้ำเต็มโอค์เสมอปากทุกใบเรื่องนี้น่าคิดครับหมายความว่าความเชื่อในการปฏิบัติที่ทำเนี่ยทำอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนตยิ่งกว่านั้นปร่งท้าทายผมตั้งคำถามนี้เสมอในชุดว่า น้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นเล้าหุ่นเมื่อตอนไหนครับวยความเชื่อผมผมเชื่อว่าตอนที่คนใช้นั้นตักแล้วไปให้เจ้าภาพเพราะความเชื่อของคนใช้นั้นถ้าเกิดเ็าเห็นเป็นน้ำหุ่นแล้วผมแน่ใจว่าเขาตักแน่นอนอยู่แล้วนี่คือความสำคัญรู้ไหมครับคำพูดหนึ่งที่อยู่ในสุยอมบทที่สองคำนั้นสำคัญมากเลย นะครับลองดูนิดนึงก็ได้ครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าพราะเยซูเจ้าทําอย่างไรในยอห์นบทที่ยอห์นบทที่สองตรงนั้นและนี่คือสิ่งที่โปรงท้าทายเราทั้งหลายเหมือนกับที่โปรงท้าทายอับราฮัมนะครับในบทที่สองนะครับมีข้อหนึ่งที่โปรงใช้และวิธีการของโปรงแตกต่างจากคนอื่นนะครับซึ่งอยู่นะครับในนะบในข้อที่สิบ นะครับในข้อที่สิบข้อความนั้นกล่าวไว้น่าสนใจว่าเขาพูดว่าใครใเขาก็เอาเหล้าโงนอย่างดีมาให้ก่อนและเมื่อได้ดื่มกันแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าโงนอย่างดีไว้จนบัดนี้คุณรู้ไหมครับนิทาทายอะไรพระองค์ทาไม่เหมือนใครใครๆเขาก็ทาแบบนี้ แต่คุณเชื่อในพระเจ้าโปรงท้าทายคุณว่าทำไม่เหมือนใครๆแล้วคุณจะเห็นพระพรของพระเจ้าถ้าทำเหมือนใครๆมันก็เป็นแบบเดิมแต่โปรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีคือทำในสิ่งที่ใครๆก็ไม่ทำคุณต้องขอบคุณพระเจ้านะ โปรจึงท้าทายในเรื่องวันพุธดุจในความเชื่อนั่นเองโปร่งจึงท้าทายอับราฮัมท้าทายสิ่ ง, งต่างๆเพราะพระเจ้ากําลังท้าทายชิดว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ใครอื่นไม่ทําพระอื่นใหม่ต้องว่าอะไรครับเขาบอกว่าถ้าเกิดพระเจ้าอวยพรแล้วทำไมพระเจ้าจังเอาคืนอีกแต่นั้นคือพระเจ้ากําลังบอกเส้นทางว่าคุณเชื่อระวังใจพระเจ้าขนาดไหนคุณมั่นใจขนาดไหนว่าพระเจ้าให้ทันเวลาเสมอ ผมรู้ว่ า, เ จ, าเจ้าภาพที่อยู่ในหมู่บ้านคานาแควนกา ล, ลีก็ตื่นเต้นนะเพราะเราองุ่นมันหมดไปสามในวันที่สามเพราะงานแต่งงานมันมีเจดวันอีกต้องครึ่งเวลาจะทำอย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังท้าทายท่านทั้งหลายบรรพบุรุษแหงความเชื่อมันจึงมีสองอย่างหนึ่งคือในคิดจักของเราสองคือในครอบครัวของเราอับราฮัมทาทั้งสองแบบ ท่านทาเป็นบาปอย่างกับพี่น้องของคนทั้งโลกว่าเวลาที่คุณมั่นใจในพระเจ้าที่บอกว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเพราะท่านมั่นใจว่าในพระเจ้านั้นพระองค์เตรียมสถานที่นั้นไว้ให้ในพระเจ้านั้นพระองค์เตรียมหนทางที่ออกไว้และในพระเจ้านั้นพระองค์ให้ทันเวลาตลอดเวลาทีนี้มันอยู่ที่เราแล้วล่ะเมื่อเราจับใจของเราแล้วบอกกับพระเจ้า เพเราจะรักและมั่นใจในพระเจ้าเป็นจริงอย่างนั้นไหมถ้าวันหนึง่งพระเจ้าท้าท า, ายเราเหมือนกับอับราฮัมถ้าปรงท้าทายแล้วว่าลอมออกจากที่นี่ไปสิไปอย่างที่เราบอกให้เจ้ารู้ไปอย่างที่เราจะเตรียมที่ดีให้กับเจ้าและในเวลาที่เราจะช่วยเหลือแล้วให้สิ่งดีที่สุดกับเจ้าอย่าตอบแบบอิสยาห์ที่เรามาเล่นตลกกันว่าข้าโรองอยู่ที่นี่ขอใช้คนอื่นไปเถอ นี่คือความรู้สึกของคนหลายคนที่เป็นอยู่ผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีบัรพบุรุษอย่างนั้นเหมือนกับที่มิชนลรีเข้ามาในประเทศไทยถ้าคนเหล่านั้นไม่ยอมออกจากความสุขสบายของเขาและเดินทางมาถึงที่นี่ผมเชื่อพระกตติคุณก็ยังไม่ได้มาถึงเราที่มีรากฐานแต่ผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมเสียดายและเสียใจ ว่าในทุกวันนี้เราในคิเรจากหลายแห่งกำลังเป็นทะเลตายผมขอจริงๆผมไปที่ไหนผมท้าทายคิเตรจากว่าผมอยากให้คุณเป็นการ ล, ลีที่สุดที่นั่นมีบ่อเลี้ยงปลาและปลาเหล่านั้นก็เติบโตแล้วก็ส่งทอดออกไปพี่น้องครับในบ่ายวันนี้ผมเชื่อพระเจ้ากำลังท้าทายท่านทั้งหลาย ท่านอาจจะเป็นบรรพบุรุษของใครสักคนหนึ่งในความเชื่อที่เป็นอยู่ท่านมั่นใจขนาดไหนได้บ่ายวันนี้ถ้าพระเจ้าท้าทายท่านลองทำในสิ่งที่ใครไม่ทำและทำตามที่เราบอกเจ้าสิเพราะกระีจึงใช้คาว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เราเอง ไม่แน่ใจอยากจะสรุปด้วยพระธรรมสรุดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อที่หนะ้าเมื่อใดก็าตามที่มีปัญหาข้อนี้เป็นข้อที่ประทับใจแล้วก็จำข้อนี้ไว้ขึ้นใจจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จหรือวิธีของเจ้าราบรื่น อับรามจึงเป็นแบบอย่างตัวท่านเองจะเป็นแบบอย่างในครอบครัวอย่างไรอย่าลืมนะครับพระองค์ชี้เส้นทางพระองค์ให้หนทางออกและพระองค์มาทันเวลาตลอดเวลาในพระองค์เจ้าไม่เคยสายจับมือและสัญญาจับใจของท่านและสัญญากับพระชาชะเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะนำเราตลอดเวลาขอร่วมใจที่ต่านได้กัน พระเาพระบิดาขอบพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งในบ่ายวันนี้ขอบพระคุณสำหรับถ้อยคำของพระองค์เจ้าที่มาถึงคับทั้างหลายขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระงค์้าสปอร์ให้อับราฮัมเป็นบาปอย่างของบรรพบุรุษความเชื่อของน้งหลายเพราะเขามั่นใจในคำสัญญาของพระงองค์เขาจึงกล้าที่จะเดินออกไป ให้ข้ามไหลมั่นใจในคำสัญญาของปลุและข้ามาหลจะก้าวเท้าออกไปในเช่นเดียวกันปลุกจะก้าให้ข้ามไหลมั่นใจว่าปลุกให้ข้ามไหลมั่นใจว่าข้ามไหลได้เห็นผลทางที่มาจากปลุในเวลาที่ค้ามาหลไม่มั่นใจว่าข้ามหลจะทำอย่างไรแต่ข้ามาหลเชื่อมั่นว่าในนั้นจะมีทางออกให้กับข้ามหลอยู่ตลอดเวลา ขอบพระคุณพระองค์เจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นมาจากพระองค์การช่วยเหลือที่มาจากพระองค์เจ้านั้นจะเป็นการช่วยเหลือที่ทันเวลาและเหมาะสมกับทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแค่แต่พระเจ้าถ้าพี่น้องคนใดยังมีความห่วงกังวลที่เขาไม่มั่นใจอยู่ในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปิดเสริมเขาเหล่านั้นให้เขามีความมั่นใจในพระองค์ว่าในทุกย่างก้าวชีวิตของเขาทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเขาเสมอ พระองค์ประทานขนทางโประงประทานทางออกกับเขาตลอดเวลาเพราะพระองค์จับตาดูเขาเพื่อจะช่วยเหลือเขาในยามที่ยากลําบากพระองค์เจ้าสอนเขาทั้งหลายที่จะวางใจในพระองค์และเส้นทางของชีตของนั้นจะสู่ความราบรื่นและความสําเร็จอยู่ในพระองค์เจ้าขอการอวยพรของพระเจ้าที่มีในชีวิตที่วันหนึ่งข้างหจ้าจะเป็นบรรพบกรุษแห่งความเชื่อที่คนต่างๆในคึ้นมาจากองพระเจ้าที่นี่ จะได้มองเห็นและเขาจะได้สรรเสริญพระงเจ้าผ่านข้ามทั้งหลายทั้งหลายจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระบรมในพระนามพระสุดขเจา้าอาเมน